ในโลกนี้มีความรู้อยู่สองชนิดด้วยกันคือหนึ่งความรู้ทางโลกความรู้ทางธรรมความรู้ทั้สองชนิดนี้มีความรู้ทางธรรมที่เป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ ที่เหลือกว่าความรู้ทางโลกก็เป็นความรู้ที่จะสามารถให้ผู้รู้ได้อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ต่างๆเกิดจากความรูม้ทางธรรม ความรู้ทางโลกถึงแม้จะรู้ถึงระดับปริญญาเอกก็ตามก็จะเป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเป็นความรู้ที่จะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ความรู้ทางธรรมนี่ เป็นความรู้ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ความรู้ทางโลกมีประโยชน์สำหรับทางร่างกายถ้ามีความรู้ทางโลกก็สามารถที่จะทำงานทำการหารายได้เข้ามาจุนเจือเลี้ยงดูร่างกาย ให้อยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายแต่ไม่สามารถที่จะมากําจัดความทุกข์ทางจิตใจได้ต่อให้เรียนจบปริญญาเอกก็ยังต้องมีความทุกข์ทางใจอยู่ต่อให้ร่ํารวยขนาดไหนก็ยังต้องเจอกับความทุกข์ทางใจอยู่ แต่ถ้าได้เรียนรู้ทางธรรมแล้วจะสามารถอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้ความรู้ความทุกข์ทั้งหลายจะไม่สามารถเข้ามาเหยียบย่ำจิตใจได้นี่คือความรู้สองชนิดด้วยกันเราจึงควรให้ความสำคัญ ต่อความ ร, รู้ทางธรรมถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมีความรู้ทางธรรมเท่านั้นที่จะช่วยให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแข็งแกร่งปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆส่วนความรู้ทางโลก ก็เรียนพอให้เป็นวิชาทำมาหากินได้ก็พอคือเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอให้ร่างกายนี้มีปัจจัยสี่ไว้ดูแลรักษาให้อยู่ตามอัตภาพของร่างกายไปจนถึงววระสุดท้ายของร่างกาย คือต้องตายไปแต่จิตใจของพวกเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความรู้ทางโลกไม่สามารถที่จะมาคุ้มครองดูแลรักษาจิตใจของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขได้เหมือนกับร่างกายความรู้ทางโลกนี้ จะเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ไปตามอัตภาพแต่ความรู้ทางโลกไม่สามารถมาเลี้ยงดูจิตใจให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายทั้งขณะที่มีร่างกายและหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วความรู้ทางธรรมนี้เท่านั้น ที่จะเลียงดูร่างกายเลียงดูจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในขณะที่มีร่างกายและหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตใจที่ไม่ได้ตายก็ต้องอาศัยความรู้ทางธรรมนี้แหละที่จะคอยรักษาจิตใจให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขต่อไป ได้อยู่ไปจนกว่าจะได้พบกับความสุขที่ถาวรในขณะที่ยังไม่ได้พบกับความสุขที่ถาวรหรือในขณะที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติ จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติถ้ามีความรู้ทางธรรมไว้คอยรักษาจิตใจถ้าไม่มีความรู้ทางธรรมเวลามีเวลามีชีวิตอยู่ขวนขวายแต่หาความรู้ทางโลกหา ความรู้ระดับปริญญาต่างๆแล้วพอจบจากการศึกษาก็นำความรู้ทางโลกนี้ไปทำมาหากินสามารถหาเงินได้เป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้านก็จะมีชีวิตทางร่างกายอยู่อย่างสุขสบายอยู่อย่างหรูหราอยู่อย่างฟุ่งเฟือย จะไม่มีความรู้ทางธรรมมาดูแลรักษาใจใจก็ยังทุกข์ยังวุ่นวายท่ามกลางความสุขทางร่างกายเพราะไม่มีความรู้ทางธรรมมาคอยรักษาใจนั้นให้อยู่อย่างสงบน่มเย็นเป็นสุข ก็จะสุขเพียงเครื่องเดียวแล้วก็ทุกข์อีกเครื่องหนึ่งสุขทางร่างกายแต่จะทุกข์ทางจิตใจจิตใจจะวุ่นวายจะเครียดไปกับเหตุการณ์ต่างๆจะ่าเครียดจะวุ่นวายไปกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่หามาได้จะทุกข์จะเครียดกับการสูญเสีย กับการพัาดพราดจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองและบุคคลต่างๆที่ที่หามาได้แต่ถ้ามีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะได้พบกับความรู้ทางธรรมแล้วถ้าให้ความสำคัญให้ความสนใจต่อการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำอาไปปฏิบัติก็จะมีความรู้ทางธรรมขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาดูแล รักษาจิตใจให้อยู่ร่มเย็ยนเป็นสุขก็จะมีความสุขทั้งทางร่างกายและทางจิตใจส่วนผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาได้ร่ำเรียนความรู้ทางโลกในระดับปริญญาก็ไม่เป็นปัญหาอะไร พาอความรู้ที่ต้องใช้ในการหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายนี้ไม่จำเป็นต้องมีถึงระดับปริญญาก็สามารถเลี้ยงดูร่างกายได้ให้ร่างกายอยู่อย่างสุขอย่างสบายได้เหมือนกับมหาเศรษฐีคนที่ทำงานเงินเดือนขั้นต่ำ วันละสามร้อยบาทก็พอเพียงต่อการซื้อปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายได้จึงไม่มีความจำเป็นหรือไม่ต้องขวนขวายเดินนนศึกษาหาความรู้ทางโลกให้มากเกินไปสู้เอาเวลามาขวนขวายในการ ศึกษาหาความรู้ทางธรรมจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะความสำคัญของชีวิตของพวกเราเนี้อยู่ที่จิตใจมากกว่าอยู่ที่ร่างกายเพราะหนึ่งร่างกายนั้นเป็นของชั่วคราวอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีก็ต้องมีอันสิ้นสุดลง แต่จิตใจนี่ไม่มีวันตายจิตใจอยู่ไปตลอดร่างกายตายไปแล้วจิตใจก็ยังอยู่ต่อไปจะอยู่อย่างสุขหรืออยู่อย่างทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีความรู้ทางธรรมคอยดูแลรักษาใจหรือไม่ถ้าไม่มีความรู้ทางธรรม ใจก็จะอยู่อย่างทุกข์ทรมานถ้ามีความรู้ทางธรรมใจก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย น, นี่คือข้อที่หนึ่งทำไมจึงควรขวนขวายศึกษาความรู้ทางธรรมมากกว่าความรู้ทางโลกเพราะความรู้ทางโลกมีประโยชน์ชั่วคราวพอร่างกายตายไป ความรู้ที่เรียนรู้มาก็หมดความสำคัญไปความรู้ทางโลกไม่สามารถมาเลี้ยงดูจิตใจได้ข้อที่สองความสุขความทุกข์ของร่างกายกับความสุขความทุกข์ของจิตใจนี้ห่างกันมากมีปริมาณมีน้ำหนักห่างกันมาก ความรู้ความสุขความทุกข์ทางร่างกายนี้เป็นความสุขความทุกข์ที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขความทุ ก, ท ก, ข, ทกทข์ทางจิตใจอาจจะอยู่ในปริมาณหนึ่งต่อร้อยก็ได้ความสุขทางร่างกายหนึ่งเท่าความสุขทางจิตใจนี้จะมีน้ำหนักถึงร้อยเท่า เท่นเดียวกับความทุกข์ทางร่างกายกับความทุกข์ทางจิตใจก็เป็นอย่างเดียวกันความทุกข์ทางร่างกายหนึ่งเท่าแต่ความทุกข์ทางจิตใจนี้ร้อยเท่านี่คือความสําคัญว่าทําไมเราจึงต้องมาขวนขวายมาศึกษาหาความรู้ทางธรรมกัน เพราะเราจะไดะ้กำจัดหรือป้องกันความทุกข์ที่หนักที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจไม่ให้เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นก็สามารถกำจัดให้มันหายไปได้อย่างรวดเร็วและสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมา ให้อยู่กับใจไปตลอดทําให้ใจไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไปถ้ามีความสุขทางจิตใจแล้วไม่จําเป็นจะต้องหาความสุขทางร่างกายร่างกายจะทุกข์ยากลําบากอย่างไรหรือจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ มีความไม่มีน้ำหนักที่จะไปกระทบกับความสุขทางใจผู้ที่มีความสุขทางใจจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ต่างๆทางร่างกายร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายจิตใจจะไม่รู้สึกสะเทือนใจเลยร่างกายจะอยู่อย่างทุกข์ยากลาบากอย่างไร เช่นไปติดคุกติดตารางไปหลงอยู่ในป่าในถ้าจิตใจจะไม่มีความรู้สึกขวันไหวกับความทุกข์ของทางร่างกายเลยเพราะใจมีความสุขมากกว่าความทุกข์ทางร่างกายนั่นเองความทุกข์ทางร่างกายหนึ่งเท่าแต่ความสุขทางใจร้อยเท่า น้ำหนักมันต่างกันมากทําให้ทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่มีน้ําหนักเลยเมื่อมามาเจอความสุขทางจิตใจนี่คือความสําคัญของความรู้ทางธรรมที่จําเป็นที่จะต้องขวนขวายศึกษานอกจาก รู้แล้วยังไม่พอความรู้ทางธรรมนี่ความรู้ทางธรรมเพียงแต่รู้นี้ยังไม่เกิดประโยชน์พอรู้แล้วยังต้องสร้างมันขึ้นมาให้เกิดขึ้นมาภายในใจให้มันฝังลึกเข้าไปในใจความรู้ที่เราศึกษาในเบื้องต้นจากหนังสือธรรมะต่างๆจากการฟังเทศน์ฟังธรรมต่างๆ ยังเป็นความรู้นอกใจเราต้องเอาความรู้นี้เอาเข้ามาภายในใจเหมือนสมัยนีเ้เราใช้เครื่องมือถือกันเครื่องมือถือก็กมีแอปต่างๆอพพลิเคชันต่างๆถ้าเราต้องการใช้อพพลิเคชันเราก็ต้องดาวน์โหลดมันเข้ามาในเครื่อง ดาวโหลดแล้วก็ต้อง i n s tall ถึงจะมีแอปอยู่ในเครื่องถึงจะใช้แอปต่างๆได้เช่นดูการถ่ายทอดสดเนี่ย a c e b o o k หรือ u t u b e เนี่ยเราก็ต้องมีแอปกันถ้าไม่มีแอปเราก็ไม่สามารถที่จะใช้เ c e b o o k หรือ YouTube ได้เราก็ต้องไปดาวโหลด แอปของ Facebook ของ YouTube เข้ามาในเครื่องพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ต้อง i n s t a อ l Install แปลว่าติดตั้งนั่นเองอเอาโปรแกรมมาจากร้านของอร้านที่เขาจำหน่ายหรือแจกโปรแกรมต่างๆแล้วพอดาวน์ได้โปรแกรมเข้ามาในเครื่องแล้ว เราก็มาอิน tall มาติดตั้งมันอีกทีนึงความรู้ทางธรรมก็แบบเดียวกันถ้าเราต้องการความรู้ทางธรรมที่เป็นเหมือนแอปอันหนึ่งเป็นแอปอันหนึ่งเราก็ไปที่เขามีที่แจกแอปอันนีน้เราก็ไปที่วัดกันหรือไปตามหนังสือธรรมะต่างๆไปเปิดดูหนังสือธรรมะ ไปวัดก็ไปฟังเทศฟังธรรมอันนี้เป็นการดาวน์โหลดเป็นการเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจใจของเรานี้เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งถ้าเราต้องการมีธรรมะเป็นแอปที่จะมาใช้ในการสร้างความสุขให้กับใจดับความทุกข์ให้กับใจเราก็ต้อง ไปดาวน์โหลดธรรมะเข้ามาในใจไปฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ท่านกำลังทากันอยู่ขณะนี้ท่านกำลังดาวน์โหลดธรรมะความรู้ทางธรรมเข้าสู่ใจของท่านพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วขั้นต่อไปท่านจะต้องนำเอาไปติดตั้งให้มันอยู่ในใจต่อไปถ้าไม่ติดตั้ง มันยังไม่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้แก่จิตใจได้ยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ยังไม่สามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในใจได้ต้องมีการติดตั้งธรรมะเข้ามาในใจการติดตั้งนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองการดาวน์โหลดธรรม มะก็คือการฟังเทศฟังธรรมหรือที่เราเรียกว่าปริยัติธรรมการศึกษาธรรมก่อนต้องศึกษาธรรมะดาวน์โหลดธรรมะก่อนแล้วก็มาปฏิบัติธรรมก็คือมาติดตั้งธรรมะให้อยู่ภายในใจตลอดเวลาแล้วก็ พอมีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้ธรรมะเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆได้สร้างความสุขต่างๆให้เกิดขึ้นมาภายในใจได้อันนี้เราก็เรียกว่าปฏิเวทเราได้ใช่อปพลิเคชันทำหน้าที่ของมันได้ เเราต้องการดูการถ่ายทอดสดในตอนนี้พอเราดาวน์โหลดอิ tall Facebook หรือ YouTube เข้าไปพอเขา i n s tall เสร็จติดตั้งเสร็จเราก็เปิดโปรแกรมนี้รับการถ่ายทอดสดได้ทันทีโปรแกรมได้ทำงานได้เต็มที่แล้วสามารถถ่ายทอดเสียงและภาพที่มีกำลัง ถ่ายท่อสดกันอยู่ในขณะนี้ได้ <Yeah. S 1> ธรรมะก็เป็นแบบเดียวกันใจเราก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือธรรมะก็เป็นเหมือนโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่เราจะต้องดาวน์โหลดแล้วก็อินส tall พอดาวน์โหลดอินส tall เสร็จเราก็สามารถเปิดโปรแกรมได้เปิด Facebook เปิด YouTube ได้ ใช้ Facebook ใช้ YouTube ทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่นี่ก็เป็นแบบเดียวกันความรู้ทางธรรมนี่มีหลายขั้นตอนมากกว่าความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกเพียงแต่ไปเรียนกันแล้วก็ไปสอบกันอาจจะถือว่าการสอบนี้เป็นการอ n s tall เป็นการติดตั้งความรู้ก็ได้ อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรียนแล้วไม่ไปสอบก็ยังจะไม่ได้รับปริญญาเพราะยังไม่มีการรับรองว่าความรู้ที่ได้ไปเรียนนี้ได้เข้าไปติดตั้งอยู่ในใจหรือยังจะรู้เมื่อสอบผ่านเมื่อสอบผ่านได้คะแนนดีก็จะรู้ว่าความรู้ทางโลกนี้ได้เข้าไปอยู่ในใจแล้ว สามารถเอาความรู้ทางโลกนี้มาเป็นเครื่องมือทามาหากินได้แล้วไปสมัครงานก็มีวุฒิบัตรปริญญาบัตรไปยืนยันว่าข้าพเจ้ามีความรู้ระดับนี้พอเขาต้องการคนที่มีความรู้ระดับนี้เขาก็เอาไปเขาก็จ้างไปทำงานได้เลยแล้วก็ จ่ายเงินเดือนให้เอาเงินเดือนที่ได้มาเลี้ยงดูปากท้องของร่างกายและเอาไปใช้กับสิ่งเดือนต่อไปตามความปรารถนาแต่ความรู้ทางโลกเงินทองที่หามาได้ทางโลกนี้ใช้ได้กับการดูแลเรื่องของความสุขความทุกข์ของร่างกายเท่านั้นเช่นถ้าร่างกายทุก พอขาดอาหารก็สามารถเอาเงินไปซื้ออาหารมาบำบัดความทุกข์ความหิวของร่างกายได้ถ้าร่างกายไม่สบายก็ไปหาหมอไปโรงพยาบาลไปรักษาได้จ่ายค่ายามีเงินทองจ่ายค่ายาแก้ปัญหาทางร่างกายได้แต่เวลามีปัญหาทางใจนี้เงินทอง ข้าวของความรู้ทางโลกนี้แก้ไม่ได้เวลาเสียอกเสียใจเวลาที่ต้อง เ, อเสียสิ่งที่เรารักไปหรือเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะมีความรู้สึกทุกข์ทรมานใจถ้าปัญหาทางใจแล้ว เ, เงินทองหรือความรู้ทางโลกนี้ แก้ไม่ได้ดับไม่ได้ดับความทุกข์ทางใจไม่ได้ต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขาก็ดับความทุกข์ทางใจไม่ได้แต่ถ้ามีความรู้ทางธรรมนี่สามารถดับได้อย่างง่ายดายความรู้ทางธรรมจึงเปรียบเหมือนกับมีคุณค่ามากกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านแสนล้าน เพราะเงินทองร้อยล้านพันล้านแสนล้านไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ทางใจได้แต่ความรู้ทางธรรมนี้สามารถกำจัดได้อย่างง่ายได้ถ้าเรามีความรู้ทางธรรมติดตั้งอยู่ภายในใจแต่ถ้ายังไม่มีมีเพียงแต่ความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังยังไม่สามารถที่จะกำจัดความทุก ทางใจได้เพราะอะไรเพราะเวลาฟังแล้วลืมฟังแล้วพอไม่ได้ฟังซ้ําบ่อยๆไม่ได้คิดถึงมันบ่อยๆก็ลืมได้พอลืมเวลาเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาก็ไม่รู้จะกําจัดความทุกข์ทางใจได้อย่างไรเพราะลืมวิธีวิธีกําจัดความทุกข์ทางใจได้ยินได้ฟังในขณะที่ฟังเทศฟังธรรม หรือในขณะที่อ่านหนังสือธรรมะแต่พอผ่านไปถ้าไม่ได้นึกถึงความรู้ทางธรรมเดี๋ยวมันก็จางหายไปเพราะเราจะเอาความรู้ทางอื่นมากบมันนั่นเองในแต่ละวันนี้ใจเรารับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายก่ายกองตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราเอาความรู้ต่างๆเข้ามาในใจเราตลอดเวลาทั้งจากภายนอกเกิด มาจากทางตาหูจมูกลิ้งกายแล้วทั้งจากภายในคือมาจากความคิดต่างๆของเราความคิดต่างๆของเราก็เป็นความรู้อันใหม่ที่เราผลิตขึ้นมาอยู่เรื่อยๆความรู้ที่เรารับผ่านทางตาหูจมูกลิ้งกายก็เป็นความรู้ใหม่เข้ามาอยู่ทุกเวลานาทีถ้าเราไม่คอยดึงความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังรำ ดึงขึ้นมาด้วยความคิดถึงความรู้ทางธรรมอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวความรู้ทางธรรมก็จะถูกความรู้อย่างอื่นกลบไปหมดได้นทาให้ความรู้ที่เราได้ยินได้จากการฟังเทศฟังธรรมนี้หายไปหมดเลยเหมือนกับไม่รู้จักธรรมะเลยเหมือนกับไม่มีธรรมะอยู่ในใจเลยถ้าอยากจะให้ความรู้ทางธรรมที่เรา ได้ยินได้ฟังนี้อยู่ต่อไปเราต้องหมั่นติดตั้งมันคำว่าติดตั้งเป็นยังไงก็หมัน่นคิดพิจารณาอยู่เนืองเนืองนั่นเองให้เราคิดอยู่บ่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมอันนี้เรียกว่าเป็นการอินสตาลธรรมะเข้าไปในใจติดตั้งดาวน์โหลดแล้วก็ต้องมาติดตั้งเรามีความทุกข์กับเรื่องไหนสมมติยกตัวอย่าง ถ้าเรามีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องการพัดพาจากกันและกันเราไม่อยากจะเจอความทุกข์เหล่านี้เราก็ต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วร่างกายของพวกเราทุกคนต้องแก่เป็นต้องแก่ไปเป็นธรรมดา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 ที่จะมารักษาใจของเราไม่ให้ทุกไปกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ทุกไปกับการพัดพลากจากกันได้ถ้าเราเอาธรรมะอันนี้เข้ามาสู่ใจแล้วฝังไว้ในใจให้ได้คือไม่ให้หลงไม่ให้ลืมให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายนี้เดี๋ยวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เดี๋ยวเราจะต้องพัดผาาจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นอะไรก็ตามต้องมีการพัดภาาจากกันอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นเองถ้าไม่พัดภาากันตอนเป็นก็ต้องพัดผาากันตอนตายคือให้เราเห็นความจริงอันนี้แล้วอย่าไปฝืนความจริงอันนี้เท่านั้นเอง ถ้าใจเราฝืนเราก็ต้องหยุดมันให้ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีวิธีให้เราหยุดความดื้อด้านของใจใจเราบางทีรู้อยู่ว่าต้องพัดพากจากกันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มันไม่ยอมมันยังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายยังอยากไม่พัดพากจากกันถ้ามันดือ้อก็ต้องหยุดมัน หยุดความดื้อได้อุตตจ้าก็สอนให้เราใช้สติหยุดมันให้มาฝึกสติเวลามันอยากไม่แก่ก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเวลามันอยากไม่เจ็บก็พุทโธพุทโธไปเวลามันอยากไม่ตายก็พุทโธพุทโธไปให้หยุดให้หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดผ้ากันให้มันยอม ยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายยอมรับการพัดพากจากกันด้วยการหยุดใจทำใจให้นิ่งให้สงบพอเวลาใจนิ่งใจสงบแล้วความอยากทำงานไม่ได้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพากจากกันมันจะหยุดทำงานพอมันหยุดทำงานแล้วใจก็สบาย ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ทุกข์กับการพลาดพลากจากกันนี่แหละคือวิธีที่เราจะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจต้องเข้ามาด้วยการดาวน์โหลดก่อนศึกษาอ่านหนังสือธรรมะก็ดีฟังเทศฟังธรรมก็ดีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ทุกบททุกบาทเนี่ย สอนเรื่องของการกำจัดความทุกข์ชนิดต่างๆทั้งนั้นไม่ได้สอนเรื่องอะไรเลยถ้าเรามีความทุกข์ทางใจเนี่ยไปหาธรรมะเถิดแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้วิธีรักษาหรือกำจัดความทุกข์ทางใจให้หมดไปจากใจของเราได้แต่เราต้องน้อมเอามาปฏิบัติต่อเราต้องเอา รักษาขั้นต้นต้องรักษาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาด้วยการท่องจําอยู่เรื่อยๆการพิจารณาก็คือการท่องจํานี้เองพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากกันท่องมันไปเรื่อยๆว่านี่คือสัตจธรรมความจริงที่ไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้ ถ้าใครมีร่างกายแล้วปฏิเสธความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ปฏิเสธการพัดพรางจากกันไปไม่ได้ถ้ายอมรับไม่ต่อต้านความจริงใจจะไม่เศร้าใจจะไม่ทุกข์แต่ถ้าต่อต้านไม่ยอมรับความจริงใจจะเศร้าโศกเสียใจจะทุกทรมานใจ วิธีที่จะทําให้ใจไม่ต่อต้านก็คือต้องทําใจให้สงบนะวิธีคือการติดตั้งธรรมะเข้าไปในใจต้องทําอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือความรู้พยายามพิจารณาอยู่เนืองๆไม่ให้หลงไม่ให้ดื่มสองต้องหยุดใจให้ได้ต้องทําใจให้สงบให้เป็นให้ใจ ไม่มีความอยากหยุดความอยากให้ได้ด้วยการหมั่นจราณิสติอยู่เนืองๆการบริกรรมพุทโธอยู่เนืองๆนี่จะเป็นการหยุดความอยากจะเป็นการทำใจให้นิ่งให้สงบได้แต่เป็นสิ่งที่ต้องขยันต้องมีความภาคเพียรมากเพราะต้องทำทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้น ส่วนใหญ่เรามักจะปล่อยให้ใจเราคิดไปเรื่อยเปยื่อยอยากไปเรื่อยเปยื่อยอยากแล้วก็ทุกไปกับความอยากอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็เสียอกเสียใจถ้าได้มาแล้วพอสูญเสียไปก็เสียอกเสียใจเพราะอยากให้อยู่กับเราไปตลอดไม่อยากให้เขาจากเราไปเนี่ยเราไม่ควบคุมใจกัน ความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากการที่เราไม่ควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบกันปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสความอยากต่างๆแล้วพอมันไม่ได้ดังใจอยากก็ต้องทุกข์ทรมานใจกันนี่คือเรื่องของความรู้ทางธรรมที่เราจำเป็นที่จะต้องมา ศึกษาศึกษาแล้วก็ต้องเอามารักษาขั้นต้นศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมะชนิดนั้นชนิดนั้นชนิดนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังแล้วก็ต้องเอามารักษาต่อมาพิจารณาอยู่เนืองเนืองพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราพิจารณากันอยู่เนืองเนือง ว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นการความแก่ความเจ็บความตายล่วงพ้นการพัดพากจากกันไปไม่ได้ถ้าเราทบทวนอย่างนี้เดีเรื่อยขั้นต่อไปเราก็ถามตัวเองว่าเรายอมรับความแก่ได้หรือไม่ยอมรับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือไม่ยอมรับความตายได้หรือไม่ ยอมรับการพัดพาจากกันได้หรือไม่ถ้ายังไม่ยอมรับก็แสดงว่าเราไม่มีกําลังที่จ ะ, ะหยุดความอยากของกิเลสตัณหานี่เองกิเลสตัณหายังอยากไม่แก่ยังอยากไม่เจ็บยังอยากไม่ตายอยู่เช่นเวลาผมหอกเราต้องไปยอมผมกันหรือเปล่า ถ้าย้อมผมก็แสดงว่าไม่ยอมรับความแก่แล้วเวลาหนังเหี่ยวหนังย่นเนี่ยไปดึงกันหรือเปล่าไปหาหมอสัญญกรรมตกแต่งหรือเปล่าเวลาตาไม่ลึกตาไม่หนาอยากไปให้หมอแต่งให้หรือเปล่าคิ้วไม่สวยคิ้วไม่งามให้หมอเขาทำให้หรือเปล่าไปถอนคิ้วไปแต่งคิ้วกันหรือเปล่า จะหมูกไม่โดง่งไปดึงจะหมูกให้มันโด่งหรือเปล่าฟันไม่สวยไปหาหมอฟันให้จัดฟันให้หรือเปล่านี่คือการปฏิเสธความจริงของร่างกายปฏิเสธยังไงเดี๋ยวร่างกายมันก็ต้องเหี่ยวต้องเฉาอยู่ดีทามันยังไงเท่าไหร่มันเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็มันก็เหี่ยวลงไปอยู่ดีหนังก็ย่นลงไปอยู่ดี งานนี้เรามีการทดสอบจิตใจของเราว่าเราทำใจได้หรือเปล่าเรารับความจริงได้หรือเปล่าถ้าเรารับความจริงได้เราไม่ทุกข์หรอก เ, อเช่นผมมันจะงอกก็โกนมันไปทิ้งเลยก็หมดเรื่องหายเลยหายงอกเลยพอไม่มีผมแล้วทีนี้ก็ไม่มีผมงอกนะ อ, อันนี้ไม่ได้ปฏิเสธอันนี้เรียกว่าเป็นการ เป็นการรับความจริงอย่างหนึ่งว่าไหนไหนมันจะหลอกแล้วมันก็ไม่รู้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีผมก็อยู่ได้การมีผมนี่มันเป็นภาระลุงรังไปเปล่าๆการไม่มีผมนี่กับสบายอาบน้ําก็สบายลดน้ำใส่หัวได้อาบเสร็จก็แห้งอย่างรวดเร็วไม่ต้องมาเสียเวลาเป่าผมเช็ดผม เสร็จ แ, แล้วก็ต้องมาคอยหวีผมคอยมาดัดผมดัดอะไรอีกมีแต่ภาละเสียเวลาไปโดยใช่เหตุไม่มีผมเลยดีกว่าเนี่ยเนี่ยคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านบอกว่ากนผมทิ้งไปเถิดผมมันไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจ น, นอกจากมันเป็นสิ่งที่เสริมความงามของร่างกายเท่านั้นเองเนะเขาเรียก คนงามศาสตรงามเพ่อขนคนงามพ่อแต่งเห็ผมก็ต้องแต่งถึงจะดูสวยงามถ้าผมไม่ได้หวีไม่ได้อะไรดูแล้วก็หน้าเกลียดหน้ากลัวขึ้นมาถ้าผมมันเออมีสีงอกขึ้นมาสีขาวขึ้นมาก็ทําให้ดูไม่สวยไม่งามก็เลยต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองกัน เพื่อที่จะดูแลผมแล้วก็ไปเอาเชื้อไปเอาพิษเข้ามาในร่างกายเอใช้สารพิษในการย้อมผมสารพิษมันก็อาจจะไปก่อเป็นสารกาเกาะมะเร็งขึ้นมาก็ได้ <Yeah. S 1> ก็หนีจากความทุกข์อย่างหนึ่งเพื่อไปหาความทุกข์อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าหนีเสือปะจอระเข้หนีความแก่ แล้วก็ไปเจอความเจ็บย้อมผมเพื่อจะหนีสีขาวสีหงอของผมแล้วก็ไปเจอโรคมะเร็งเข้าอีกทีอันนี้คุ้มค่ากันหรือเปล่าอย่านีเลยเชื่อเถิดอย่านีความจริงอยู่ความจริงดีกว่าอยู่กับความจริงแล้วใจจะสบายใจจะไม่ทุกข์กันนะ ทีนี้นทำอย่างไรเราถึงจะอยู่กับความจริงได้ในเมื่อใจมันไม่ยอมรับความจริงเราก็ต้องหยุดันหยุดความดื้อด้านของใจความจริงใจไม่ใช่เป็นตัวดื้อด้านหรอกตัวที่ดื้อด้านก็คือตัวกิเลสตัณหาใจนี้เป็นตัวรู้เฉยๆตัวที่จะตามใครไปก็ได้ตามปัญญาก็ได้ตามกิเลสตัณหาก็ได้ ตามธรรมะก็ได้แต่ตอนนี้กิเลสตัณหามันเป็นพี่ใหญ่มันคุมใจไว้อยู่เอใจถึงแม้อยากจะตามธรรมะบางทีก็ตามไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วอยากจะทําใจตามที่ธรรมะสอนก็ทําไม่ได้ก็เพราะว่ามีกิเลสตัณหามันคอยคอยเหนี่ยวรั้งไว้คอยห้ามไว้ไม่ให้ไปทําตามธรรมะ เากิเลสมันต้องการให้ใจทําตามกิเลสธรรมะบอกว่าเวลาแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปเถิดะผมมันจะงอกก็ปล่อยมันงอกไปเถิดถ้ามันเป็นภาระมากก็โกนมันทิ้งไปก็ได้ผมไม่มีประโยชน์อะไรต่อจิตใจมีผมหรือไม่มีผมนี่สําหรับทางด้านจิตใจไม่มีผมนี่สบายกว่ามีผมะ เวลามีผมนี่เป็นภาระต่อการดูแลจิตใจต้องคอยสะคอยล้างคอยหวีคอยอะไรแล้วไหนยังจะมีรังคงรังแครอะไรขึ้นมาอีกถ้าไม่มีผมนี่รังคงรังแคร์มันก็หายไปหมดปัญหาเรื่องของผมก็จะไม่มีวิธีแก้ปัญหาของผมก็คือกนมันทิ้งไปง่ายที่สุด ดีที่สุดไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องเสียเวลามาคอยดูแลรักษาผมแล้วก็ต้องมาทุกข์กับผมเวลาที่ต้องเจอกับสภาพของผมที่ไม่น่าดู อ, า อ, าอันนี้คือธรรมะที่เราไม่สามารถทําตามกันได้ก็เพราะว่าเรามีกิเลสตัณหาที่มันเป็น ตัวคอยกีดกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราอยากจะให้เราทําตามธรรมะทาตามความจริงได้เราต้องมาหยุดกิเลสตัณหากันถ้าไม่หยุดกิเลสตัณหาจะทําตามธรรมะไม่ได้วิธีที่จะหยุดกิเลสตัณหาก็คือต้องมาฝึกสติกันนั่นเองเพราะถ้าฝึกสติมีสติเราก็จะหยุดกิเลสตัณหาได้ พอเราหยุดกิเลสตัณหาได้เราก็จะทําตามธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าได้คือปล่อยให้ร่างกายแก่ไปปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปปล่อยให้ร่างกายตายไปซึ่งจะปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ตามร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายของมันอยู่ดีแต่ถ้าปล่อยแล้วใจจะเบาใจจะสบาย ใจจะสงบใจจะไม่ทุกข์ใจจะสุขสุขท่ า, กามกลางความทุกข์ของร่างกายนนื้องกายจะแก่อย่างไรจะเจ็บอย่างไรจะตายอย่างไรนี้ใจจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเลยถ้าใจหยุดกิเลสตัณหาได้ทําใจให้สงบได้เท่านั้นเองนี่คือวิธีการที่เราจะน้อมเอาความรู้ทางธรรม มาใช้กับใจเราต้องเรียนต้องศึกษาต้องต้องได้ยินได้ฟังแล้วเราต้องเอามารักษาไว้ต่อศึกษาแล้วก็ต้องรักษาแล้วก็ต้องมาหยุดใจของเราที่ไม่ยอมรับธรรมะให้มันรับธรรมะให้ได้หยุดตัวที่ต่อต้านธรรมะคือกิเลสตัณหาด้วยการมาฝึกสติมานั่งสมาธิกัน ปัญหาของพวกเราก็อยู่ตรงนี้ปัญหาการฟังเทศฟังธรรมนี้ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ฟังได้การมาคิดอยู่เนืองๆก็พอจะคิดได้แต่การที่จะมาหยุดตัวที่คอยต่อต้านธรรมะเนี่ยมันยากคือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเพราะว่าต้องใช้ความพยายามมาก ต้องสร้างสติขึ้นมาให้ได้ก่อนถ้าไม่มีสติมาคอยหยุดความคิดก็จะหยุดความอยากหยุดกิเลสตัณหาไม่ได้อันนี้จึงต้องใช้ความเพียรความพยายามมากต้องใจเย็นๆต้องอดทนต้องรู้ว่าเป็นเหมือนกับการปีนเขาการปีนเขานี่มันยากไม่เหมือนกับการเดินลงเขา การเดินลงเขานี่เหมือนกับการไปเที่ยวแต่การไปปฏิบัติธรรมนี่เหมือนกับการไปปีนเขากันเราจึงไม่ค่อยอยากจะมาวัดมาปฏิบัติธรรมกันแต่เวลาไปเที่ยวนี้ไปได้อย่างง่ายดายรวดเร็วขอให้ใครชวนมาเถิดใครมารับปั๊บเดี๋ยวไปแล้วแต่ถ้าใครมาชวนให้ไปปฏิบัติธรรมนี่ต้องมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มา อ้างอยู่เสมอไม่ว่างบ้างติดธุระต้องทำให้นู่นต้องทำให้นี่บ้างแต่เวลาไปเที่ยวนี้ไม่มีข้ออ้างเลยไปได้ทันทีไฟเขียวตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแต่ถ้าไปปฏิบัติธรรมนี่ไฟแดงขึ้นตลอดเลย <c oughs> นี่แหละคืออุปสรรคของการที่จะน้อมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาเข้าสู่ใจ เพื่อที่จะได้มากำจัดความทุกข์ต่างๆแล้วสร้างความสุขให้แก่ใจถ้าทำได้แล้วนี่เราจะได้ผลที่ถาวรนะคือใจไม่ตายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจถ้าได้กำจัดมันหมดแล้วมันก็หมดนะมันไม่กลับมาอีกความสุขที่เราได้สร้างขึ้นมาในใจแล้วมันก็จะอยู่กับใจไปตลอดนะไม่เหมือนกับทางร่างกายนะ ทางร่างกายนี้สร้างความสุขขึ้นมาแป๊บเดี๋ยวก็หมดแล้วเห็นไหมหยุดสี่วันไปเที่ยวกันตอนนี้ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวสี่วันหายไปไหนละหายไปหมด้ะความทุกข์ที่เกิดจากการต้องไปทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต่อกลับมาอีกแล้วอันนี้ทางร่างกายเป็นอย่างนี้มันจะไม่อยู่นานอยู่ได้เดี๋ยวเดียวแล้วเดียวก็หายไป ความทุกข์ที่เราได้กำจัดตอนที่เราไปเที่ยวกันสี่วันมันก็กลับมาแล้ว嘛พอกลับมาทำงานวันสองวันก็มีเรื่องปวดหัวให้คิดแล้ะมีเรื่องนู่นเรื่องนี้ให้มาปวดหัวละอนี่แหละความรู้ทางโลกกับความรู้ทางธรรมประโยชน์มันต่างกันมากแต่ความยากง่ายมันก็ต่างกันมากความรู้ทางโลกมันไม่ยากมากเพียงแต่ไปโรงเรียนทุกวัน แล้วก็คอยดูหนังสือคอยทำการบ้านพอถึงเวลาก็สอบให้มันสอบให้ผ่านเท่านั้นเองก็จะได้ความรู้ทางโลกเอาไปใช้ในการเลี้ยงดูร่างกายได้แต่ไม่สามารถเอาไปเลี้ยงดูจิตใจได้ไม่สามารถไปสร้างความสุขให้อยู่ในใจได้นานๆไม่สามารถกำจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจให้หายไปหมดอย่างถาวรได้อันนี้ต้องอาศัยความรู้ทางธรรม ซึ่งวิธีที่จะเอาความรู้ทางธรรมเข้าสู่ใจนี้มันยากเพราะว่ามันมีอุปสรรคมีตัวคอยอกีดกันไม่ให้เอาเข้าไปในใจคือกิเลสตัณหานี้มันไม่ยอมให้ธรรมะเข้าสู่ใจของพวกเราวิธีที่ยาวธรรมะเข้าสู่ใจเราก็ต้องหยุดกิเลสตัณหาต้องหยุดต้องทาใจให้สงบต้องเจริญสติกันนั่นเอง ก็ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถหยุดกิเลสตัณหาได้นอกจากสติถ้าไม่มีสติแล้วก็เป็นเหมือนรถไม่มีเบรกรถนี้ถ้าจะหยุดรถได้มันก็ต้องมีเบรกเท่านั้นถึงจะหยุดได้ถ้าไม่เช่นนั้นมันก็ต้องตกเหวตกอะไรไปหรือชนต้นไม้แล้วก็หยุดเท่านั้นแต่จะให้มันหยุดแบบปลอดภัยนี้ต้องมีเบรก ใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าต้องการให้ใจของเราหยุดอย่างปลอดภัยก็ต้องมีสติคอยกำกับคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 2> ถ้าไม่เช่นนั้นเวลามันทุกข์ก็ต้องปล่อยมันทุกข์ไปจนกว่ามันจะหมดแรง <Yeah. S 2> ความทุกข์ที่เรามีกันนี้บางทีเราไม่รู้จักดับมันเราก็เลยต้องทนทุกข์ไปจนกว่ามันจะหมดแรง หมดแล้วเดี๋ยวความทุกข์ใหม่มันก็ขึ้นมาใหม่อีแต่ถ้าเรามีสตินี่เราสามารถหยุดมันได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับหยุดรถยนต์เหยียบเบรคปั๊บ yeah, เดี๋ยวเดียวไม่กี่นาทีรถก็จอดสนิทได้เช่นเดียวกับความทุกข์ทางใจถ้าเรามีสติพอเราทุกข์กับเรื่องอะไรเราใช้พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ลืมเรื่องที่ทําให้เราทุกข์แล้ว ความทุกข์ก็จะหายไปความทุกข์เกิดจากความคิดของเราไปคิดถึงเรื่องที่เราทุกข์แล้วไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นนอนพอมันไม่เป็นมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากเราก็เลยทุกข์กันเท่านั้นเองปัญหาของเราทางจิตใจมันง่ายๆความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากต่างๆอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้พอไม่ได้ก็เสียอกเสียใจ เท่าโศกเสียใจหรือพอได้มาแล้วพอต้องสูญเสียไปก็ร้องห่มร้องไห้กันถ้าหยุดความอยากเหล่านี้ได้ใจจะไม่ทุกข์ใจสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีอะไรนี่คือความจริงที่เราไม่รู้กันเราคิดว่าใจของเราจะมีความสุขต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้เราเสพสัมผัสอยู่เรื่อย ต้องมีอะไรให้ดูอยู่เรื่อยๆต้องมีอะไรให้ฟังอยู่เรื่อยๆพอเวลาไม่ได้ดูไม่ได้ฟังอะไรนี่โอเ้เดือดร้อนกันนองดูเวลาที่ถ้าไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้าดับที่ขึ้นมาเนี่ยอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรดูไม่ได้นี่โอ้โหอยู่กันแบบหงดเกลียดลำคานใจถึงเวลาจะดูละครก็ไม่มีละครให้ดูถึงเวลาจะฟังอะไรไม่มีอะไรให้ฟัง เพราะทุกอย่างต้องใช้เครื่องเครื่องไฟฟ้าอันนี้นี่แะคือความทุกข์ของพวกเราเราไปอาศัยสิ่งต่างๆที่มันไม่แน่นอนบางทีมันมีบางทีมันไม่มีเวลามันมีเราก็ไม่เดือดร้อนกันพอเวลามันไม่มีขึ้นมานี้เดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราสามารถ อยู่แบบไม่ต้องมีอะไรก็ได้ไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้เราเสพมาให้เราสัมผัสเราก็มีความสุขได้และมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสอีกเสียด้วยซ้าไปพระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์มาแล้วพระอาหารหันตสาวกก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่าใจเรานี้ไม่ต้องมีอะไรถ้ามีความสงบ เพียงอย่างเดียวแล้วก็มีความสุขแล้วไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่วิเศษที่สุดที่เลิศที่สุดที่ดีที่สุดและถูกที่สุดด้วยของถูกที่ดีนี่มีแต่เราไม่รู้กันเราคิดว่าของถูกนี่มักจะไม่ดีใช่ไหเวลาเราไปซื้อของลดราคานี่เรารู้แล้วว่ามันต้องเป็นของไม่ดีแล้วเข้าถึงลดราคากัน ของเก่าบ้างของที่ชำรุดบ้างถ้าของดีเขาไม่มาลดราคาขายกันเห็นสำหรับทางโลกนี้จะไม่เชื่อว่ามีของดีที่ไม่ที่ถูกคือไม่ต้องเสียเงินเลยแต่ต้องเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองเงินซื้อไม่ได้ของดีนี้ความสุขคือความสงบนี่เงินซื้อไม่ได้ไม่ต้องใช้เงินซื้อ แต่ต้องใช้สติซื้อกันต้องใช้ความเพียรพยายามเจริญสติกันนี้เท่านั้นเองสติตัวเดียวเท่านั้นแหละขอให้มีเถอะขอให้พุโทโธไปได้ทั้งวันเถอะพอเวลาเกิดความพอให้มีพุโทโธเหมือนกับมีเบรกรถยนต์เท่านั้นแหละใช้ได้แล้วพอเกิดความทุกข์เกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้พุโทโธหยุดมันได้เลย นี่แหละพยายามสร้างพุทโธขึ้นมาให้มันเป็นเหมือนเบรกของรถยนต์เราไม่จำเป็นจะต้องใช้พุทโธตลอดเวลาหรอกเบรกรถยนต์เราไม่ได้ใช้มันตลอดเวลาใช่ไหมเราจะใช้มันก็ตอนที่เราจะหยุดมันท่านเองพอมันถึงสี่แกไฟแดงต้องหยุดแล้วเพราะถ้าไม่หยุดเดี๋ยวต้องไปชนกันละแต่เวลาถ้าไฟเขียวเราก็ไม่ต้องหยุดเราก็วิ่งต่อไปได้พุทโธก็เหมือนกัน เราไม่ต้องใช้พุโทโธตลอดเวลาเราใช้มันตอนที่เกิดความทุกข์ใจเท่านั้นเองแต่ตอนต้นนี้ตอนที่ไม่มีไม่มีพุโทโธเนี่ยเราต้องพยายามพุโทโธมันทั้งวันเพื่อให้มันอยู่ในใจนี่เรียกว่าเป็นการติดตั้งธรรมะเราต้องติดเบรกให้กับใจเหมือนกับเวลาติดเบรกให้กับรถยนต์นี่เราต้องเอารถเข้าอู่ตอนนั้นเอาไปวิ่งไม่ได้ตอนนั้นต้องปล่อยให้ช่างเขา ติดเบรกให้เรียบร้อยก่อนจะใช้เวลานา น, นเท่าไหร่ก็ต้องยอมยอมรอแต่พอติดเบรกเรียบร้อยแล้วทีนี้พอขับรถไปไหนมาไหนไม่ต้องเหยียบเบรกตลอดเวลาเหยียบเฉพาะเวลาที่เราต้องการจะหยุดมันเท่านั้นเองฉันใดพุทโธก็เหมือนเบรกนี่แหละเราไม่ต้องถ้าเรามีพุทโธอยู่ในใจติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องใช้พุทโธตลอดเวลาเราจะใช้มันต่อเมื่อใจเกิดความทุกข์ขึ้นมานันเอง เรเกิดความทุกข์เราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวมันก็หยุดแล้วเวลาโกรธใครก็พุโทโธพุโทโธไปเวลาเสียใจน้อยใจกับใครก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวก็หายละลืมและอ่นนี่คือเรื่องของความรู้ทางธรรมเนี่ที่ต้องมีความยากลำบากนิดหน่อยในการที่จะเอาไปติดตั้งไว้ในใจ เวลาดาวน์โหลดเข้ามานี่ง่ายเวลาเอาธรรมะเข้ามาครั้งแรกน่ง่ายเพียงแต่นั่งฟังไปเรื่อยๆหรืออ่านหนังสือธรรมะไปเรื่อยๆถึงขนาดนั้ น, น, นบางคนก็ทำไม่ได้เชื่อหมนั่งแล้วใจก็ลอยฟังไม่รู้เรื่องว่าหลวงพ่อพูดอะไรว่านั่งมาต้องนานเพราะว่าใจไม่ได้อยู่กับเสียงธรรมที่ได้ยินได้ฟัง ใจมัวแต่ไปนั่งคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ก็เลยฟังไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่จะต้องการมีธรรมต้องพยายามปีสติอย่างน้อยมีสติให้จดจ่อยอยู่กับการฟังเทศฟังธรรมให้ได้ถ้าไม่มีสติแล้วฟังไม่รู้เรื่องเรียกว่าฟังแบบทัพพีในหม้อแกงรู้จักทัพพีในหม้อแกงไหม ทัาพีมันรู้ไมว่าเป็นแกงอะไรเวลาอยู่ในหม้อแกงเอาทัาพีไปใส่ในหม้อแกงชนิดไหนทัาพีถามว่ามึงรู้ไม่แกงเป็นแกงอะไรแกงหวานหรือแกงเผ็ดหรือแกงจืดมันบอกมันไม่รู้หรอกเพราะมันไม่มีความสามารถที่จะสัมผัสกับรสของแกงได้แต่ถ้าเป็นลิ้นนี่เพียงแต่เอารสของแกงหยดใส่ลิ้นเพียงหยดเดียวมันก็รู้ทันทีว่าเป็นแกงหวานแกงเผ็ดหรือแกงจืด อันนี้ก็เหมือนกันถ้าฟังเทศแบบไม่มีสตินถ้าฟังแบบใจลอยลอยไปลอยมาคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังแล้วไม่รู้เรื่องเหมือนกับไม่ได้ยินไม่ได้ฟังถ้าฟังแบบนี้แล้วก็จะไม่ได้ไม่ได้ธรรมะเข้าไปในใจต้องฟังแบบตั้งใจฟังต้องฟังแบบมีสติฟังแบบใจสงบ ใจไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอฟังแบบนี้แล้วธรรมะก็จะเข้าสู่ใจได้พอเข้าสู่ใจแล้วขั้นที่สองก็ต้องคอยรักษาธรรมะดีไว้อย่าให้เอาความรู้อย่างอื่นมากลบมันถ้าเราฟังเสร็จแล้วเราออกไปจากที่นี่เราไปคุยกันไปดูนั่นดูนี่ความรู้ใหม่ๆมันก็จะมากลบธรรมะที่เรา ได้ยินได้ฟังไปเดี๋ยวมันก็จะเลือนลางไปจากใจของเราจําไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้คอยดึงมันออกมาอยู่เรื่อยๆนั้นถึงแม้ว่าเราฟังเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเราควรจะกลับมาย้อนนึกถึงธรรมที่เราได้ยินได้ฟังพยายามจดจําไว้เรื่อยๆแต่ยากสำหรับผู้ที่มีภารกิจการงานอย่างคารวะ ญาติโยมนี่พอฟังทำเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องไปทําธุรกิจแล้วต้องไปทํางานต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวความรู้ที่ใช้เกี่ยวกับการการมันก็จะมากบความรู้ที่เราได้จากทําได้ยินได้ฟังทำไปแล้วเดี๋ยวไม่นานหายไปหมดเลยจําไม่ได้เลยจําได้ไหมว่าคราวที่แล้วมาฟังทำนี้ฟังอะไรไปบ้างจําไม่ได้แล้วล่ะหายไปหมดเลยเพราะเราไม่เอามาทบทวนกันนั่นเอง ถ้าเราไม่อยากให้มันหายไปทำที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้เราต้องเอามาทบทวนกันต่อคิดอยู่บ่อยๆว่าวันนี้ได้ยินได้ฟังอะไรบ้างเป็นความรู้อันไหนที่มีที่มีคุณค่ากับจิตใจของเราที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราต้องพยายามเอามาคิดอยู่เรื่อยๆอย่าให้มันห่างไกลไปจากใจวันนี้ก็พูดอยู่หลายเรื่องด้วยกัน คงจะเอาไปทุกเรื่องไม่ได้อย่างน้อยขอให้ได้เอาสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปก็ยังดีเช่นเอาเรื่องว่าความรู้ทางธรรมนี่ดีกว่าความรู้ทางโลกต่อไปนี้เราควรคายหาความรู้ทางโลกดีกว่าดีกว่าไปหาหาทางธรรมดีกว่าหาความรู้ทางโลกเวลาจะดูข่าวดูละครก็ดูธรรมะดีกว่าดูช่องธรรมะดีกว่า อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเอาไปทำประโยชน์ต่อได้หรือถ้ารู้แล้วว่าเราต้องยอมรับความจริงของชีวิตว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพลดพลาคจากกันเราเอาความรู้นี้มาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆได้ไหมอย่าลืมว่าอย่าลืมความแก่อย่าลืมความเจ็บอย่าลืมความตายอย่าลืมการพลดพลาคจากกัน แล้วดูซิว่ามันยอมรับได้หรือเปล่าถ้ามันยอมรับไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีสติที่จะหยุดกิเลสตัณหาตัวตัวดื้อด้านนี้เราก็ต้องมาฝึกสติกันมาหมั่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธกันหยุดความอยากต่างๆของใจให้ได้นี่คือสิ่งที่ควรจะเอาไปทำการบ้านต่อ ไม่ใช่ฟังตอนนี้พอออกจากที่นี่ไปก็ทิ้งไว้ตรงนี้เลยไม่มีอะไรติดตัวไปกับใจแล้วก็คราวหน้าค่อยมาฟังใหม่ถ้าฟังแบบนี้ฟังกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งมันก็ไม่มีการคืบหน้า ก, าาไกาา็ไม่มีการเอาไปทําการบ้านไม่มีการเอาไปทําข้อสอบทําการบ้านก็คือต้องไปทบทวนอยู่เรื่อยๆข้อสอบก็ต้องเอาไปใช้กับเหตุการณ์จริงะ เจอความแก่แล้วปล่อยมันแก่ได้ไหมเจอผมงอกปล่อยมันงอกได้ไหมไม่ต้องไปย้อมมันได้ไหมเจอหนังเหี่ยวไม่ต้องไปดึงมันได้ไหมเจออะไรก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติถ้าแก้ไม่ได้รักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอย่าไปทำแบบไม่เป็นธรรมชาติเท่านั้นเองอ่นี่คือเรื่องของธรรมะความรู้ทางโลก ถ้าเราได้เรียนรู้แล้วเราเอามาใช้กับใจเราได้เราจะทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเลยจะทําให้ใจของเรามีแต่ความสุขตลอดเวลาสุขทั้งขณะที่ตื่นสุขทั้งขณะที่หลับสุขทั้งขณะที่เป็นขณะที่มีชีวิตอยู่สุขทั้งขณะที่ตายแล้วถ้าเป็นสุขระดับสูงสุดก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป จะสุขไปตลอดที่เรียกว่าบรมบรมังสุขนี่เองบรลมังสุขขงังคือความสุขระดับของพนานิพานเป็นความสุขที่ได้รับจากการกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วใจก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวความสุขแบบนี้เราเรียกว่าพนานิพานความสุขของพนานิพานบรมมสุข นิบบานังปรมังสุขขังนี่แหละคือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการที่เรามีธรรมะมีความรู้ทางธรรมอยู่ในหัวใจของพวกเราถ้ายังไม่มีก็พยายามขวนขวายไปร้านที่เขาขายทมที่เขาแจกธรรมะเหมือนร้านในแอป s ตอร์นี้ร้านในเครื่องมือถือเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดแอปเข้ามาดาวน์โหลดธรรมะเข้ามา ดาวโหลดเสร็จก็อินส tall มันติดตั้งมันพอติดตั้งเสร็จก็สามารถเอามาใช้งานได้เอามากำจัดความทุกข์ต่างๆได้สร้างความสุขที่ถาวรให้อยู่กับใจต่อไปได้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจิตรพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงและการสืบสุดความุความทุกข์ที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรินติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกบปติอิติตังปฏทิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรินตตสังกปา จันโทปนาราโสยะามณีโชติอราโสยะาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวโตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจังวุทาปจายโน ยะตาโรธมรวทานติอายุวันโสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o สามร้อยสสิบี่คนครับ y o u t u b ้อยเก้าสิบหกคนครับวิทยุออนไลน์ยี่สิบ้าคนครับผู้รับฟังบนเขาร้อยสิบเก้าคน รวมทั้งหมดหกร้อยแปดสิบแปดคนกลับประจอ์อันนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามก็ถ้าอยากจะถามเองก็เชิญขึ้นมาบนศาลามีไมโครโฟนถ้าไม่ต้องการถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ายังไม่มีใครก็เอาคำถามจากทางบ้านก่อน คำถามจากทางไลน์นะคะกาเปียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าร่างกายมาจากดินน้ำลมไฟแล้วดวงจิตดวงใจมาจากไหนเจ้าคะดวงจิตก็มาจากตัวรู้ไงจากธาตรู้ในจักรวาลในโลกที่เราอยู่กันนี่มีธาตุทั้งหมดหกธาตุด้วยกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ แล้วก็ธาตุรู้คือจิตใจทั้งหมดนี้ก็ต้องอยู่ในอากาศอาวกาศธาตุต้องมอีมีเนื้อที่อวกาศก็คือเนื้อที่ธาตุเหล่านี้มีมาดั ง, ดงเดิมไม่เกิดไม่ดับมีของมันอย่างนั้นเป็นของมันอย่างนั้นอยู่ของมันอย่างนั้นแต่มันมักจะมารวมกันแล้วมาเป็นกายมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นอะไรขึ้นมาอีกทีหนึ่ง เวลาธาตุรู้มารวมกับธาตุสีดินน้ำลมไฟก็จะเกิดมีร่างกายของมนุษย์ร่างกาเกิดเกิดมนุษย์เกิดสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาเวลาที่ธาตุรู้ไม่ได้รวมกับธาตุสีธาตุรู้ก็จ ะ, ะเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆเป็นดวงวิญญาณของเทวดาของอินของพรหมอของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกนี่ก็คือตัวธาตุรู้นี้ ที่ไม่มีวันตายที่เป็นไปเป็นมาตามบุญตามกรรมตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ว่ากรรมเป็นเครื่องจําแนกแยกสัตว์ให้เป็นชนิดต่างๆแยกจิตใจแยกธาตุรู้นี่ให้เป็นอะไรต่างๆคือบุญกับกรรมนี้ถ้าเป็นบุญบุญก็จะทําให้ธาตุรู้นี้เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลเป็นมนุษย์ ไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรมเป็นอริยบุคคลถ้าบาปก็จะทำให้เป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นอสูรลกายเป็นนรกนี่คือธาตุรู้พอมาพอมาครอบครองธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟพอมารวมกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็กลายเป็นมนุษย์ขึ้นมา แล้วเดี๋ยวก็แยกกันไปแล้วเดี๋ยวก็มารวมกันใหม่แยกกันไปรวมกันใหม่อยู่อย่างนี้แต่ธาตุทั้งห้านี้ไม่มีวันหายไปมารวมกันแล้วเดี๋ยวก็แยกกลับไปสู่ที่เดิมธาตุน้ำมารวมกับธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมารวมกับธาตุรู้ก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาคำถามต่อไปค่ะอยากสอบถามครับ ผมอายุ33พ่อแม่อายุ80อายุห่างกันมากผมพยายามแนะนำหลักธรรมดีๆที่ถ mm ูก hmm. ต้องแต่พ่อแม่ไม่เชื่อและทะเลาะกันบางทีผมไม่อยากให้พ่อแม่ไปทางผิดหรือหลงไปตามไสยศาสตร์ควรทำอย่างไรดีครับก็เหมือนกับเวลาที่คุณเทน้ำใส่ถ้วยแก้วที่เขาคว่มไว้เนี่ คุณเทไปทําไมเทไปแล้วมันก็ไม่มีน้ําติดเข้าไปในแก้วแม้แต่หยดเดียวใจของคนที่เขาไม่ยอมรับสิ่งที่คุณบอกเขาบอกไปยังไงเขาก็ไม่รับอยู่ดีบอกไปให้เหนื่อยไปเปล่าๆเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับความจริงกันออย่าทําตามความอยากแล้วทําให้ปีนปัญหาทําให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจกันขึ้นมาในเมื่อเรา เทให้เขาแล้วเขาไม่ยอมหายแก้วขึ้นมาก็จบอย่างน้อยเราก็แสดงความปรารถนาดีของเราแล้วยินดีที่จะให้เขาได้รับสิ่งที่ดีแต่เมื่อเขาไม่ต้องการก็จบท้ถ้าคุณยืย่นเงินให้เขาแล้วเขาไม่รับคุณจะทำยังไงคุณจะยัดเยียดอย่างนั้นหรือเปล่าจะไปทะเลาะ ก, กับเขาก็ไม่ทะเลาะใช่ไหมให้งเงินมาแล้วไม่เอาก็เก็บไว้ ธรรมะนี่มีคุณค่าราคายิ่งกว่าเงินทองอเมื่อให้เขาแล้วเขาไม่เอาก็เก็บไว้ใช้เองสิใช่ไหมก็เ <laughs> ต่นนั้นเองคำถามจากทางเฟซบุ๊กนะคะจากคุณจำปาคนที่ได้โสดาบานันสกิทาอนาคาจะเกิดอีกเจ็ดชาติเจ็ดชาตินี้จะทันพระพุท ธ, ทธเจ้าพระองค์นี้ไหมเจ้าคะ่ะ อ๋อไม่ต้องไม่ต้องรอพระพุทธเจ้าแนละ้วมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วพระโสดาบันพระอริยบุคคลทุกคนกคนี้มีธรรมอยู่ในใจมีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วถ้าเป็นแอ ป, ปก็อยู่ในเครื่องแล้วทีร้านเครื่องมันจะร้านขายแอ ป, ปจะไม่มีแอ ป, ปนี้ขายก็ไม่มีปัญหาแล้วเรามีแอ ป, ปนี้อยู่ในเครื่องเราใช้ไปได้ตลอดจนกว่าเครื่องมันจะพังอันนี้ก็เหมือนกันพระอริยบุคคลนี้ ท่านมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วพวกเรานี้ยังไม่มีในใจพวกเรายังอยู่ข้างนอกอยู่อยู่ข้างนอกก็คือบางทีก็คิดถึงบางทีก็ลืม เ, เรียกว่าอยู่ข้างนอกแต่ถ้าอยู่ในใจแล้วมันจะไม่ลืมมันจะอยู่ตลอดเวลาเป็นปัจจุบันตลอดเวลาแต่ของเรามันบางทีเป็นอดีตฟังทำไปแล้วกลายเป็นอดีตไปซะและ้วทำที่ฟังไปเมื่อกี้นี้แต่ถ้าเป็นพระเรียบุคคลธรรมนี้จะเป็นปัจจุบันตลอดเวลา จะอยู่กับใจตลอดเวลาจะมีพระพุทธเจ้าข้างนอกมาสอนแล้วไม่สอนไม่จำเป็นล่ะมีพระพุทธเจ้าในใจคอยสอนอยู่ตลอดเวลาพอมีทุกปั๊บรู้ทันทีว่าเกิดจากตัณหาแล้วต้องใช้ตายรักแล้วต้องใช้ศีล ส, สมาธิปัญญาล้ถึงจะกำจัดความทุกข์ต่างๆได้ยั่นพระอริยบุคคลทุกองค์นี้ท่านได้รับประกันว่าจะไปถึงพระนิพพาน แล้วไม่ต้องมีไม่มีเงื่อนไขอันใดทั้งไหนที่จะมาลมล้างรับประกันอันนี้ได้จะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้ก็ไม่สำคัญจะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่สำคัญสามารถไปได้ทั้งใน ท, ทุกระดับของภพภูมิที่ได้เกิดที่จะไปเกิดต่อไปเพราะธรรมนี้มันเป็นธรรมจกักรนะมันมันเริ่มหมุนละมันมันเริ่มคุยเคียคน้นหากิเลสตัณหาที่ตัวที่คอยสร้างความทุกข์ พอมันสร้างความทุกข์ปั๊บทำก็จะมากำจัดมันทันทีแล้วจิตก็จะพัฒนาจากาจากโสดาไปเป็นสกิรดาคาจากสเิคาไปอนาคาแล้ไปเป็นผ้าหลันตามลําดับต่อไปพระโสดานี้ท่านเรียกว่าผู้เข้ากระแสโสดาคือกระแสะแปลว่ากระแสะกระแสะสู่พระนิพพานผู้ที่เข้ากระแสคือพระโสดาบันกระแส ที่จะพาไปสู่นิพพานเหมือนสมัยนี้ผู้ที่ขึ้นทางด่วนพอขึ้นทางด่วนแป๊บเดี๋ยวทางด่วนมันก็จะพาไปถึงจุดหมายปลายทางของทางด่วนเอง้อขึ้นทางด่วนมาพัทยาเดี๋ยวมันก็มาถึงพัทยาเองมันไม่มีทางแยกมันให้มาโดยตรงเนี่ยนี่คือกระแสของพระนิพพานคือพระอริยบุคคลเริ่มต้นที่พระโสดาบันพอเข้ากระแสนี้แล้วไม่มีทางกลับแล้ว มันขึ้นขึ้นโทเวขึ้นฟีเวแล้วมันไม่มีทางจะยูเทิร์นได้นะต้องวิ่งไปทางเดียวจังหาะจะถึงทางออกเท่านั้นเองนีคำถามจากคุณวริสราค่ะนั่งสมาธิพอตัวเองว่างไม่มีอะไรทำถือว่าโยมจะได้ความสงบไหมเจ้าคะเพราะว่าจิตไม่ไม่ได้อยากนั่งสมาธิจริงๆ เป็นเพียงเพราะว่าเราว่างไม่มีอะไรทําในตอนนั้นจริงๆขอบพระคุณเจ้าค่ะมันยังว่างไม่จริงไถ้าว่างมันจริงแล้วมันจะไม่อยากจะทําอะไรมันจะมีความสุขมากมันอยากจะว่างอย่างมันอยากจะสุขอยากจะว่างอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะไม่มีความสุขกันใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความว่างความสงบของใจนี่คําถามจากคุณสุปราณีค่ะ ถ้าเราทําบุญเสร็จเรากรวดน้ําจะกล่าวอย่างไรถึงจะได้ถึงบิดาญาติพี่น้องผู้มีบุญคุณผู้มีพระคุณเพื่อนและคนรู้จักทั้งหมดรวมถึงเจ้ากรรมในเวนด้วยค่ะก็กล่าวชื่อเข้าไปสิขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับใครก็ตามเจ้า ก, กรรมในเวนอะไรก็ตามถ้าอุทิศเยอะๆมันได้คนละนิดเดียวนะ ทำบุญร้อยแบบถ้าไปอุทิศสักร้อยคนนี่มันได้คนล <laughs> ะคำสองคำนะนะถ้าอยากจะให้เขาได้เยอะๆก็อุทิศไปคนเดียวเลยไม่ต้องไปโอ้โห <laughs> ถ้าอยากจะอุทิศให้คนเยอะๆนี่ต้องทําบุญเยอะ ๆ, ๆทําบุญใหญ่ๆต้องลงลงทุนหลายพันหลายหมื่น แต่ถ้าถ้าคำแค่ร้อยบาทแล้วก็ไปอุทิศแบบนี้ก็โหได้คนละสลึงสองสลึงคำถามจากทาง YouTube ค่ะจากคุณหญิงถ้าหากเรามีแฟนอยู่แล้วเราไปชอบชายอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วการที่เราคุยกับคนนั้นถือว่าเราผิดศีลไหมคะเราควรที่จะบอกแฟนหรือไม่หรือควรเลิกคุยกับคนที่เราชอบเราเก็บ ไว้เป็นความรับจึงจะถูกค่ะ <smiling> คือถ้าเรายังไม่ไปร่วมหลับนอนกับเขานี่ก็ยังไม่ถือว่าไม่ผิดศีลนะถ้าเรามีสามีหรือภรรยาแล้วเราไปร่วมหลับนอนกับคนอื่นเนี่ยถึงจะเรียกว่าผิดศีลแต่การที่ไปชอบเขาใจใจนี้มันก็เริ่มเบีบ่ยงเบนแล้วก็ควรที่จะหยุดถ้าเราไม่อยากที่จะให้มันลามปามต่อไป เพราะว่าถ้าลองปล่อยไปมันก็เหมือนไฟมันก็จะลุกลามไปเรื่อยๆพอรู้ว่าเราเริ่มนอกใจสามีหรือแฟนเราแล้วหรือภรรยาเราแล้วถ้าเรายังอยากจะซื่อสัตย์กับเขาอยู่เราก็ต้องหยุดให้ความสำคัญกับคนที่เราไปชอบก็คบกันได้ในฐานนี้เป็นเพื่อนกันเท่านั้นเองแต่อย่าไปชอบในทางชู้สาว คำถามจากคุณไพโรธคะ่ะนมัสการพระอาจารย์ครับพรุ่งนี้มีการทําบุญปล่อยเต่าและปูกระผมไม่ได้ไปด้วยแต่โอนปัจจัยไปทําบุญด้วยอานิสงส์จะเท่ากับคนที่ไปปล่อยหรือไม่ครับได้เท่ากันจํานวนเงินที่ปล่อยถ้าปล่อยเท่ากันก็ได้เท่ากันเด็กแต่จะไม่ได้ได้ไปสัมผัสรับรู กับการปล่อยเท่านั้นเองแต่การเสียสละเงินทองถ้าเสียสละเท่ากันก็ได้เท่ากันคนไปเสียร้อยคนไม่ได้ไปเสียร้อยหนึ่งก็ได้ทานเท่ากันได้หนึ่งรอยเท่ากันคำถามจากคุณจิรศักค่คะกราบนรรมสการพระอาจารย์ครับผมอยากทราบอาการของจิตตั้งมั่นพอเข้าใจครับก็ต้องทําเล ย, เลยอันนี้จิตปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น บอกคนตาบอดว่าสีแดงกับสีเขียวเป็นยงไงบอกไปจนปากเปียกปากฉีกมันก็ไม่รู้อีกอ่ะให้มันลืมตาดีกว่าเฮ้ยมึงลืมตาซะง่ายกว่ากว่าที่จะมาที่บายว่าสีแดงกับสีเขียวมันเป็นอย่างไรใจสงบกับไม่สงบเป็นยังไงก็เหมือนกันพูดไปปากเปียกปากฉีกก็เท่านั้นแหละไปนั่งเถอดนั่งหลับตาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเห็นเองเดี๋ยวใจก็สงบไปนั่งพุดโทพุโทโธ หรือนั่งดูลมหายใจเดี๋ยวมันก็เห็นเองได้ประโยชน์มากกว่าที่จะมาฟังให้เราพูดปากเปียกปากฉีกพูดไปแล้วก็เท่านั้นใจก็ไม่สงบเหมือนเดิม <c oughs> คำถามจากคุณจุกจิกคะ่ะเมื่อนั่งสมาธิกระทั่งเหลือแต่ตัวรู้เราเกิดสภาวะธรรมต่างๆขึ้นมาควรดูสภาวะดังกล่าวกระทั่งสิ้นสุด หรือกลับมาอยู่ที่ตัวรู้ให้เร็วที่สุดครับและขออุบายในการเจริญสติให้ไหวครับออถ้ามันอยู่ตั ว, ตวรู้จริงมันจะไม่มีสภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นมาถ้ามีสภาวะธรรมก็ยังไม่ได้อยู่กับตัวรู้จริงต้องอยู่กับพุทโธต่อไปอยู่กับลมต่อไปจนกว่าใจจะสงบแล้วตัวรู้ปรากฏขึ้นมาแล้วสภาวะธรรมอื่นๆก็หายไปหมด คำถามจากคุณวูดดี้ค่ะผู้ที่นับถือาศาสนาอื่นแล้วตายไปจะมีโอกาสเกิดมาในาศาสนาพุทธเพื่อศึกษาธรรมะให้ถึงนิพพานหรือไม่ในทำนองเดียวกันผู้ที่นับถือาศาสนาพุทธที่ยังไม่ถึงนิพพานมีโอกาสที่จะเกิดในาศาสนาอื่นในชาติต่อไปหรือไม่ครับแล้วแล้วโอกาสที่เขาจะกลับมาในพระพุทธศาสนา จะเวียนมาหรือไม่ครับก็ไม่มีอะไรแน่นอนเนี่ยเหมือนเวลาเราไปจอดรถที่สี่แยกไฟแดงแล้วมีรถซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยคิดว่าขาวหน้าไปเจอกันที่จุดเดิมจะจะเจอสี่คันนี้ไหมเจอที่อยู่ข้างหน้าข้างหลังที่ซ้ายที่ขวาเหมือนกันหรือเปล่าอาจจะเจอก็ได้อาจจะไม่เจอก็ได้เจอคันนึงอาจจะเจอสองคันอาจจะไม่เจอเลยก็ได้ นี่คือความเป็นจริงในอนาคตไม่มีใครรู้ว่าจะเจอกันได้หรือไม่อาจจะเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้ไม่ต้องไปกังวลไม่สำคัญตอนนี้เจอแล้วรีบตักตวงประโยชน์เถิดไม่ใช่ตอนนี้เจอแล้วก็เฉยเฉยเวลหวังว่าคราวหน้าจะมาเจอกันอีกอย่างนี้ก็เจอคราวหน้ามันก็แบบเดียวกันเลยเจอคราวหน้ามันก็เฉยเฉยอีก ถ้าเจออะไรดีแล้วรีบคว้าเข้ามาเลยรีบรบคว้าเข้ามาเอามาเป็นสมบัติของเราเลยอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งอย่าไปรักพี่เสียดายน้องเดี๋ยวก็ไม่ได้ทั้งสองคนไม่ได้พี่ไม่ได้น้องพอน้องรู้ว่าไปรักพี่น้องก็เสียใจพอพี่ไปรู้วไปรักน้องพี่ก็เสียใจแล้วไม่เอามัลเลยเลอไม่ได้ทั้งพี่ไม่ได้ทั้งน้องงั้นเลือกเอาสักคนหนึ่ง ถ้าจะเอาพี่ก็ทิ้งน้องไปเลยจะเอาน้องก็ทิ้งพี่ไปเลยอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะเอาธรรมะก็ทิ้งทางโลกไปเลยเอาความรู้ทางธรรมก็ทิ้งความรู้ทางโลกไปเลยไปบวชเลยไปปฏิบัติกันเลยจะได้ไม่ต้องมากังวลหน้าชาติหน้าพบหน้าจะเจอกันอีกหรือไม่ก็ เ, เจอกันตอนนี้แล้วทำไมไม่เอารีบตักตวงผลประโยชน์ของมันจะไปรอชาติหน้าพบหน้าแล้วก็ไปตักตวงผลประโยชน์แล้วมันจะทาหรือมันก็ไม่ทาอีกล ถ้าชาตินี้มันไม่ทําชาติหน้ามันก็เหมือนเดิมเ้งมันอาจจะเป็นชาติก่อนมันก็เป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ได้ชาติก่อนก็เจอพระพุทธศาสน า, ามาแล้วก็ไม่ยอมทําพอชาตินี้มาเจอก็ไม่ยอมทําอีกจะรอไปชาติหน้าอีกเดี๋ยวไปรอชาติหน้ามันก็ไม่ยอมทําอีกอย่างถ้าไม่ไม่รีบทําำต้นตอตอนนี้มันก็จะไม่มีวันทําต่อให้เจอทำต่อให้เจอาศาสนากี่ครั้งกี่หนมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ คำถามจากคุณพูลมีค่ะผมสวดมนต์ทุกวันแต่แฟนผมไม่ได้สวดจะได้บุญไหมครับไม่ได้ของไทยของมันคุณกินข้าวทุกวันแฟนคุณไม่กินข้าวแฟนคุณไดณ้แฟนคุณได้อาหารหรือเปล่าไม่ได้หรอกของใครของมันการปฏิบัติธรรมนี้เป็นเหมือนการให้อาหารแก่จิตใจถ้าถ้าคนอื่นทําให้ได้ก็ไม่ต้องพวกเราไม่ต้องมานั่งให้หลังเจ็บหลังเหนื่อยกันตอนนี้ เอาพระพุทธเจ้านี่ยให้ให้ทำแทนให้พวกเราทุกคนพุทธเจ้าบอกไปนิ่พานปุ๊บไปเลยสบายกว่านี่ทำไม่ได้สิทำได้ก็เพียงแต่สอนบอกทั้นวิธีว่าจะาทำทำอย่างไรถ้าไม่ทำมันก็ไม่เกิดผลขึ้นมาคำถามจากคุณจตุรนค่ะขณะนั่งภาวนาพุทโธ มีความรู้ว่าทุกอย่างเกิดจากจิตถ้าจิตอยู่กับพุโทโธแล้วจะไม่มีอะไรมากระทบกระผมเข้าใจผิดไหมครับอา่าก็ความจริงมันเป็นอย่างไรมันไม่ใช่อยู่ที่ความเข้าใจมันอยู่ที่ความจริงเนี่ยนะมีพุโทโธแล้วไม่มีมากระทบจริงหรือไม่ก็คุณต้องถามตัวคุณเองเลยมาถามเราทำไมถ้ามีพุโทโธแล้วยังถูกกระทบอยู่ก็แสดงว่ายังใช่ไม่ได้ ถ้ามีพุโทโธต่อไปมีพุโทโธแบบที่ไม่มีอะไรมันกระทบจิตใจได้คำถามต่อไปค่ะขณะฝึกนั่งสมาธิถ้าเปิดพระธรร ม, มเทศนาฟังไปด้วยได้ไหมคะแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการสมาธิเราก็ไม่ต้องฟังธรรมเราก็ใช้พุโทโธพุธโทโธดูลมหายใจไปจะดีกว่ายกเว้นว่าเราดูลมไม่ได้ พุโทโธไม่ได้ก็อาศัยการฟังธรรมเพื่อกล่อมใจไปก่อนก็ได้แต่มันจะไม่สงบเท่ากับการดูลมหรือบริกรรมพุโทโธการฟังธรรมนี้มันจะได้ประโยชน์ในทางปัญญามากกว่าถ้าฟังแล้วเราจะได้ความรู้ทางธรรมคําถามจากคนต่อไปนะคะเมื่อคงเหลือเมื่อคงเหลือแต่ตัวรู้เด่นอยู่อย่างเดียว แล้วควรทำอย่างไรต่อไปครับถ้ามันเป็นความจริงมันก็ไม่ต้องถามแล้วมันจะรู้เองว่าทำอย่างไรถ้ายังไม่ถึงตัวนั้นบอกไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะบอกไปมันก็จาไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าไปถึงตัวนั้นจริงๆแล้วมันจะรู้เองว่าจะทำอย่างไรเวลาคุณไปเจอเพชรเม็ดเท่ากำปั้นคุณจะทำอย่างไรมีใครถามต้องต้องมีคาตอบให้คุณไหมถ้าคุณไปเจ อ, อ ไปเจอสมบัติฝังอยู่ในดินไปเจอทองอย่างนี้ที่คุณสามารถเก็บไว้เป็นสมบัติของคุณได้คุณจะมาถามเราหรือเปล่าว่าให้ทำไงดีไม่ถามหรอกอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเจอตัวรู้ตัวความสงบจริงแท้จริงแล้วมันไม่ถามใครหรอกว่าจะทำอย่างไรถ้ายังไม่เจอมันก็ถามไปเรื่อยๆอย่างนี้ยังไม่จาเป็นจะต้องตอบคาถามบางคาถามเลยไม่อยากจะตอบ ไปแล้วก็ทำให้อ่าอาจจะกลายเป็นอุปทานไปได้อาจจะคิดไปเองไปได้เฉนั้นคำถามบางคำถามนี้มันเหมือนสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนะต้องไปสัมผัสรับรู้ด้วยตนเองแล้วจะรู้ว่าจะทำยังไงกับปรากฏการณ์นั้ น, น, น, นหมดแล้วเนี่ยเนี่ยถึงถึงต้องปฏิบัติกันไงนที่ ที่อยากจะตอบมากกว่าก็คือวิธีให้ไปถึงตรงจุดนั้นแต่เมื่อไปถึงตรงจุดนั้นแล้วไม่ต้องตอบมันเป็นสันทิฏฐิโกถ้าตอบมันก็เดี๋ยวจะเราไปถึงจุดนั้นแล้วเราก็ไปเสแสร้งว่าไปถึงจุดนั้นแล้วแล้วมันก็จะหลอกตัวเองได้เพราะนั้นเรื่องของผลนี่มันให้มันเกิดให้มันสัมผัสรับรู้ถ้ามันเป็นของจริงของแท้แล้วมันรู้เองว่าจะต้องทาอย่างไร ถ้ายังไม่ได้เป็นของจริงของแท้มันก็งงมันก็ยังสงสัยอยู่มีไหมก็ม า, มาคำถามจากคุณแสงค่ะกับเดียนถามเจ้าค่ะปฏิบัติธรรมทำไมจิตยังฟุ้งเจ้าคะแต่ก็รู้ว่าฟุ้งเหมือนเกิดดับเกิดดับด บ, ด บ, บางทีก็ใช้จิตดูกายเฉยๆปฏิบัติรรถูกไหมเจ้าคะก็เวลาขับรถแล้วเหยียบเบรกมันไม่หยุดทาไมถึงไม่หยุดนะ ก็เบรกมันไม่ดีใช่ไหมถ้าขับรถแล้วพอจะหยุดสี่แยกก็มันไม่หยุดมันเลยไปอย่างเงี้ยไปชนกับคนอื่นเนี่ยมันก็รู้แล้วาต้องเข้าเข้าอู่แล้วเบรกไม่ดีถ้านั่งแล้วฟุ้งก็สแสดงว่าสติไม่ดีมันถึงฟุ้งถ้าสติดีมันก็ไม่ฟุ้งหมดแล้วใช่ไหมโอเคนะถ้าอย่างั้นก็เอาทานี้กันแล้วกันดีไหมพอสมควรแก่เวลา